เที่ยประปาถนาก็าเป็นทุกข์ย่างยิ่งสมปาถนา เ, าาเ น, าาาาานี่ยมากยิ่งยอพัดพาไปก็เป็นทุกข์ยั่งยิ่งโดยจะก้มไรลงมาไรลงมาไรลงมาก็ไม่ทราบนี่ยแหละเป็นทุกข์ก็ไม่ขันทะทุกนี่หนละขันทัศน์ก็คือนังห่มเยอะระรอบนี่หลินน้ำไฟร่มมีเวชนะชนาสังขารเว น, น่า ไม่น้ำไรอมัก็รับจะผมขนเลี้ยฟันไปจนถึงเนื้อเองกระดูกเยอะเนี่ยกระดูกมามเข้าใจถ้าป้องฝืดแต่พอใส่ใหญ่ใส่สน้อยอันไหมอนเก่าอันนี้เป็นลูกขันเป็นลูกปลาโลกเป็นลูกปลาร้เป็นลูกปลาท่าชวนน้ำดีน้ำเ็จ น้องเลือดม้า่ามันขนน้ำตาเลวมนนลั่น้นำร่าวน้ำหมูกน้ำไข้อน้ำหมดที่ทั้งก็ได้กร ก, กายเขาที่นี่กหนึ่งก็เพาะเราเป็นธาตุน้ำเพราะมันเป็นที่ซึ่งราบเป็นธาตุดินเป็นของแข็งหนึที่ว่ามารียาตไฟไฟที่ยงกายอบอุ่นไฟเที่ยงกายซุด้มไฟเที่ยงกายแขคนพระว่าย ไฟคือเพราะอาหารหายอยนี่ถ้าเป็นถากไฟร่มพัดเคืนร่มบนร่มห้าวร่มเล้อร่มอวกร่มไอร่มจามล่มพัดรมบางจาร่มเบงไายอุจลาออกเบงทายปัทละออกหรือผายร่มออกล่มในพอกนอกไสร่มในไส่ร่มพัดใส่ตามตัว รมห้อยจะเข่าร่มห้ายจะออกนี่ชัดเป็นธาบร่มไฟที่ย่างกายให้อบอุน่นไฟที่ย่างกายให้กระว่นก็ะวายไฟย่างกายที่ให้ชุดส้มไฟหัดย่างกายให้เผาอาหารให้ย่อยเป็นไฟสีร่มหก มื่เริ่มของการทั้งเรียนหน้ามันก้อนเป็นทอนเขาไงทั้งไฟทั้งร่มเนก่อนเป็นทอนเขาวา่าซัดเรวาพวอนว่าต้นว่าแล้วว่าเขว า, าว่าท่านว่าผู้นั้นผู้นี้ที่ความสวยอารมณ์ความนึกความคิดทึ่อาศัยไว้นี่อันนี้ความสวยอารมณ์ เวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมือเบียขาเฉยๆก็ดีเวทนามันไมา่จากใส่มันก็มาจากสัมผัสตาไปเห็นรูปรูปกลางๆกว่างเฉยก็เป็นสุขเวทนาคนรูปเป็นตาหักก็เป็นสุขเวทนา ขันลูปเป็นที่รังเกียจก็เป็นทุกขเวทนาหูขัในฟังมวนมวนก็เป็นทุกขเวทนาขัดเสียงบวกเข่าหูก็เป็นทุกขเวท น, ะ น, ววนทา ยงบัวพ่ายรอสารสดเสียงเป็นกลางๆว่าดีว่าซัวก็เป็นโอเบคขาเวทนากินคือการขัดิ้นหอมก็เป็นสุกขเวทนาขัดกิ้นมะหอมอุจจจะจินอุจฉะเปต้นก็เป็นทุกขเวทนานนนออนนน ก, นกานาิ้นกลางๆถือไก่กับเพราว่าถือไก่กับเพราว่าก็าเป็นโอเบคขาเวทนา ลดฮะลดมากกระทบเรื่นงขันมันแสบมัด น, นัวจับเป็นทุกขเวทนาขันม่ดแสบม่ด น, นัวก็จับเป็นทุกขเวทนาเสยแสบกบวาบว่าแสบกบว่าบหปม่ดไปทั้งแสบทั้งบว่าไปก็เป็นโอเบคทุกขเวทนากาย ขันกระทบกระเทือนมันหนาวเอาผ้ามาห่มมาสั่นเวลามันหนาวยังหนุนเป็นทุกขเวทนาเอาผ้ามาห่มแล้วมันอุ่นกเป็นทุกขเวทนาหเขาไม่ยกกลางห่อนกับ่าวานาของบาวามาสั่นก็เป็นโรคเวทนาธรรมาร่าา ม, มคิดค่อยพบเคยเห็นมาตะกอนนึกถึงอดีตนึกถึงอนุนาคตเชว่าทั้งเห็น นึกถึงเรื่องของตาหูจมูกเลียงกายในอดีตนึกถึงเรื่องตาหูจมูกเลียงกายในอนาคตเป็นนิท่านที่รวีมาแล้วหนึ่งใ น, นท่านเทวานมาเถิงหนึ่ง น, นท่านเทวานเถิงมาถึงกับในิท่านสุกเกลค่อยผ่านาว่านล่ะมีความหวังในรูปเสียงกินรถโผล่พระทรมรล้มในอนาคตมีความเสียดายและอะไรหรือรังเกียจในอดีตก็ดีแต่ว่าธทำมาล้ม ทีลวงมาแล้วทีพระัน oh ถึงก็ๆๆๆขั้วเก่าค่ะมันว่นนั่นเองก็เรียวกว่าเวทนาอเวทนาทั้งหลายเนี่ยันเป็นเวทนาธาตุเวทนาสุขขันนี่ความสวยอารมณ์ในธางสุขก็กเป็นกรรมตันหาเนี่ยพรยาอทายอทายานอย่างในสุเขเนี่ยอมื่อจะแข็มมันพัดภาคไปเนี่ยความสุขเป็นภาวะตันหาเนะี่ มันเป็นเวทนาที่พระสอบใจฮะมันเป็นเวทนาทุกข์กันก็เป็นวิภวะตัณหาเพราะมีความโมโหท้อโสงความงุศิษฐ์บุคอใจเอ้ยเก็บไว้หันปวดเพราะเนี่เพราะว่าอือเรเป็นวิภาวะตัณหาอวิภาวะตัณหานั่น ก็ไม่ให้เกิดเป็นอุปสรานฮ่ะขยึดบันถือมันไว้สิ่งที่สอบขยึดบันทือมันไว้ซึ่งที่ไม่สอบกับเบื่อนในมุดยึดสิ่งที่เป็นกลางกลากับว่างเฉยฮก็มาหาเป็นภพภัยซึ่งที่ได้มาสอบก็บเรียกว่ากาว ม, มาพบซึ่งที่ไม่มาสอบกล่าว ม, มาพบมาตำนับในรูปก็เป็นรูปประพบภพัย กำ น, นัดเนี่ยควสวยสุขทุกบเบขาตามสติกาลังสวยสุกก็อารมุภพบพบสักไเกิดหายําให้เกิดศาสตร์ศาสตร์ไม่ยซีเกิดเป็นสีเกิดในขั้น ก, นกนว่าศาสตร์เกิดในไขนก่กว่าศาสตร์เกิดในเท้าในไขน่กว่าศาสตร์เกิดในพุดธขืนเครื่อเทาุทเทวดาหรือซันในนรกกว่าศาสตร์ ชาติเป็นเกตเป็นเฮียท้าเกิดาพญาติมระโศเขาไ่เททุกข์ขุ่นบรอุปาอยากรักกองทุกทั้งหลายเกิดขึ้นโดยประการย่างี่ทเจ้ากัดับกระดับอันนี้กันทีว่าเยินดีก็ว่เยินดีอันนี้กันดับสดับอันนี้กันทิปัจบัิกับปัจบัิอันนี้สักทั้งท้องเท้อย่านอันนี้แลมีกังวกัขึ้นก็มาเรื่องกาละหานอาหารคือข้ามเขา นี่เป็นอาหารของชัดอันนึงพัดสาหาอาหารคือพัสะตาไปัดซัพกพักับูกหูไปพักับเสียงดังไปซ้ำพักับกินรถอ่อื่นไปสัมพักับรถโพด์ทะพะไปสัมพัดกับกายหูไปสัมพัดกับเสียง ใจแบบสัมผัสกับธรรมารมณ์เดี๋ยว่าจักขุสัมผัสโสตสัมผัสการาสัมผัสที่วหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสนะสัมผัสนั่นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาสุขว่างทุกวางวิขาม่กัก้เป้าอะไรก็ได้กวนกันยยงกันสอไนี่้วีกัเงนเคื่อนกัุนีน่กัวุนโยงเค่นก็บว่ามันงินหม่นี่ก็เงินเงินเก่าหระวนกันโยงกัีสละไอก็คือฮ้อนเข้าเข้าขันใจหายใจเข้าออกกันนแต่เป็นเงินเก่าเเพาว่ามันเงินงินวายมโเมยน ทำไเอ้าหาใจเขาเป็นข้างหน้าใช่ไหมหายใจออกเอกข้างนี้เมื่อครั้มันใช้เป็นข้างหน้าข้างลังจริงโยงสัตว์มันยังกระเวี้ยงเกินแต่ว่านทางวิทยานโยงสัตว์นัน่งเท่ า, ากันไปเท่า ก, กันน่ะคำว่าเก้านี่เป็น ข, นาขนาา้างหน้าแต่เก้านั่นก็เป็นมาเอกกับเป็นขนา้างหลังข้างนี้เมื่อครั้งเป็นเก้าได้เป็นข้างหลังคือคนใจน่ะเพราะเขาใจเอาคนใจกวนเฮาฮะ เ, เนี่ยผู้จิตใจหลังเฮากไม่ฮะเนี่ พื่อจะตาพร้อมห้องกับมี่ฮะเนี่ยแกเก็บกับคื่อกันจะเาไถ่ใกวอนแต่รุ่นกันทางอว่ธหนึ่งยื้อ้ำนนเพื่อนมาวัตตาองสารสัดทั้งหลายมาหลงติดยนนํำมูอหนีไปสันเมืองสันไห้ท่านหน่อยคลอยกายท่านร้ายคล อ, อยเว้นญาติว่าหลงความนึกความคิดจากของได้วัตตาสงสารนี่หเห็นโทษแม่วัตตาองสารเจ้าไปนขอยเขาสูพ่พันผ่านงายกเกิดว่าพมได้สันได้ก็มาเห็นจะเกิดจะแกจะเก็บจะตาย เห็นแต่กินแต่ขี่แต่แก่แต่เก็บแต่ตายอะนี่แหละเห็นแต่ความปรารถนาว่าจะสมหวังหนึ่งตัว้องเฮางก็เป็นรา่างขานเตรียมพุ่มแล้นี่เกิดขึ้นแล้วแบแ้แจกสลายเขกั น, นของที่เฮาสี่เอามาสมมุรณ์ตัข้าวเฮานี่งวตัวนึงควายตัวหนึ่งานแก่ข่อนกอเก็บกวายตายมะนํากระดาษอันนึงเกี้ยงไงเวลาล่านมาระสร้างมาันต้เอาความ ข, ข, ขาดมานําก็เอาโจรมน่น้ำใช่ว่าอะไรฉันโจนกัมาน้ำบ้านหันละไฟกัมาน น, า น, มาน้ำบ้านหันละไฟกมบให้เห็น ร่วมกับน้ำมัน่านรวมพัดนี้ก็เปลี่ยนคนกับคนรู้งั้นสิละ่ะว่าเราวจะแท่ล่ะรับแจ้ไหนากับเธอสันเที่ยวเวียเกิดเืียตายอยู่ในวัดจ้าทองทานนี่แหล้ว่าเป็นจ้ากเกลียรเนี่พราที่อาจารย์สอนให้เพื่อนายเสนว่าสันให้เห็นทุกพรอมก็รลมพ่ายใจเขาข อ, ออกเน้ะหลูงพ่อเ่าไปสันว่าสันบ่ะพนทุกได้สัน พอเห็นความตายพ่อองขาลมหายใจเขาออกแล้วลูกเ็จะสั่นพระองค์เจ้าพอสั่นเบื่อได้บบเบื่อเบื่อไนแล้เพื่อนนี่เมู่โตตีเพื่อนในวัดตรทราทองสารกับอุ ป, ปมาคืคอเมู่โต น, นี่เพื่อนในรลวงชานเพิ่งกันและลู ก, กงงเ็จะสั่นรพระองค์เจ้าข้าสอนการวัตรกบาตเขงพระองค์เจ้าสมมติเราอยู่ฟังทางาอืนห้อาได้ยินอยู่อยู่มาเนอลูกหลานเนออมาเนอะพอตาอยพี่แล้วสั่นเฮื่อนั่นเฮื่อนั่นแท้มีพรกันชีคึว่าเฮื่อแท้ไนั้ท่านถิ่นภาวนาพุทธทับสง เงินเพื่อแพร่เยมากเยอะมากลูกเอ้ลูกสันพอยพี่แล้วสันขบรถขัสอนแต่ล้ว่าระบาดเอนยังม่มีกาเว้นขึ้นคำนี้นี่วดังเป็นอกหัวม้วนวกตายม้หหหัเ่นฮัล้แก้ข้อเก็บข้อตายกระประกาศที่ว่ามีการเว้นขึ้นเนยบอาสันว่าเมื่อมันเขาในลึกถึงข้อแกแก้ังสยมีเมื่อมันเข้าในลึกถึงข้อเก็บเก็บจังสมีเขาในลึกถึงว้ตายตายยังเสีมีสันประ เขาสิรูตัวเพราะตัวเขาเป็นหาเมื่อนี้ใกล้จตายเามสงไม่นไกลสายก็วังขืนวาไม่นอนสวัสดีปีใหม่ไม่นอสวัสดีปีใหม่เน่ไกลตั้งแต่จะตายเขาปีกายสวัดีว่าเฉยสงบสุขว่านมันมีอย่างนี้เนาะสบสุขมมีอกินระคีเ่ามีพี่จักรเทือประมาณแต่มื่อโตอ้นเนี่มื่อห้าอน เป็นบ้าเป็นากับอาบน้ำเมื่อหนาวเศ้าปีอาบน้ำเมื่อหนาอเรียนเช้าเรียนบ้ามั่มั่วไมเดนี่ขี่ไฟเคลื่องหัวคุงท่านคุคนเขาหละบ้านเนี่ยในตาแนงหลาไรตัวบานเนี่ยรถตาแนงว่าที่แรกนี่แหละองแม่้องน่องแม่ห้องก็เป็นกะละละเป็นน้ามันยดเดียว ก็เป็นอมพุทธะเปรีชิเป็นปัญจคัสเป็นปัญจสาขาคือจริงเลนเนี่ยฮะงมากไงมากซ้าใส่สประคอเนี่ฮะแกมากละตะพืดตะพืดมากนะมีเก็บมากตะพืดพืดมากคือกา่างวูรูตัวอ้เสอหว่าสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหเดือนหกเดือนแล้วก็รับทุกข์รับทุกข์นยหันบริใจหังหน้าตาหัหลังเม่ย คืออันลิ่งมีฝนถึงข้างๆก็เห็นน้างหยอกข้างๆคือหนาวจะตัน้ังแม่คนแม่แม่น้านหนาวกับข่วมหนา็เห็นแม่้านงาแม่ด้านงายถ้าแม่น้านข่วมจะคล้องกับน้างายกันจะคล้องกันยุ่งทั้งงายถ้าแม่ด้านแข้งก็ยุ่งเียละวันถ้นแม่ไปท่ายจะคล้องกันยอ อันทองหกเดือนเทีนเดือนสาธารณทุกอยู่นหัางจะพูดหันใจคนอยู่ในทองคนบูหันใจพอเกิดมาคนในทองเ่ราคนหันใจไม่ได้หายใจคนดำน้ำหนึงก็คนตายหนึ ก็จายเนึ่ยข้นเขาจัตุทชานหนึง่งนเนี่ในขั้นหนึง่งข้นเขานี่รสสว่ารัดหนึ่งนหานใจขันออกมาแล้วแขนทุกแขนยาออกมาร่มกับมสว่างผัดปิ้นหัวลงมาปิ้นหัวลงมากับมนทว่าน นักของแม่ออกมาวนถ้ว น, วนเ บ, า แ, บาแม่ออกมาพ่อปานห้องพ่อปลนปองแฉกแฉกดึงสร้างม้าวฉันดึงสร้างลุดออกมาจากปองแขฉกเป็นทุกข้าวทิาระเวลาปินหัวลงมานะ่ะล้มพัดปินหัวลงมาปิดตีกระเทิ้งใดรออกทัออกทีเจ้ามันฆ่าเนะ่ะว่าใครออก ก็กรมรมชั่วว่าวาดเป้นพักหัวลงมาพ่อปานตกเหวพลว่าตกแกลแลล่ลายเลยเริ่มศาสตร์เลื่มพบศาสตร์ออกมาถ้าเม่เวลามันดันส่องออกม า, ม, า, ม, ามันมมมก็เริ่มศาสตร์เลื่อมพศาสตรได้เจอศาสตร์อะไระไรว่าเ่มหันผู้บุญไรยานี้จะเคยเจออะไผู้บุญไรไอ้พวเขาสมมาตริสมารวัตแหลกระลึกเลืาต์เลได้ แล้วลได้พะเลืองได้กพอป่ า, น, า, า, านแล้วลือได้ลือดขมัสสันเรักันแล้วเลืกดได้เพราะเอดได้มันก็เป็นทุกข์ขาดตัวอยู่แล้วกับพอ่านล้ลได้มองด้านโอ้โหว่ า, วาเกิดว่าอะยิ้มไม่เอ้ค้นมาสังแหมไม่เอค้ค้นหมอยิ้มไ ม, <c oughs> ม่จะหายตัวเกิดมา <c oughs> มันจะเกิดมาพานสนามทุกมันมันกระเทศอให้มันฟังพได้เกิดมาแลยิ้มม่วมีเนี มีเจ้พระองค์เก่า่ะพอเกิดมาล่ะอ้าอออออเอออเนี่ยงานฟาบาได้ยัดเก่าได้แก้ปัญหาในประกาศพระศาสนายัดข้อบพ่อเกิดมาเลยยืนเลยแม่ของพระองค์เก่ายืนยืนออกว่อได้นั่งว่าได้นั่งว่อได้แขนทวงเครื่องโม่ห้าวยืนออกยืนกลางออกต๊ะออกมาเลย ปีนยางยางในเกจเก่าแผ่นดินดันเงเสียงเสียงดินดังวันไว้เฟื่องฟ้ า, าที่ถัดเขากเกิดวันเกวันสาบวนานม่านด า, นาตายจากนางแต่พอพระเจ้าสุ้รู ป, ปางสีผู้มีบุญ นีท่านนำฮ้อนนำเยน็นเจาระม่าจากอากาศนะท่านนำฮ้อนคือการประพฤติของพระองค์เก่ากถ้าทอดละมาท่านนำเย็นคือกาประพฤติของพระองค์ต่อสิทาประพฤติทาคิดนะทุกที่เก่าจังว่ดาสตาเป็นทุกข์ที่สุดทุกเกิดสตร์น่ั้ง่องศาสตร์เปนม้ามาามาจาสไม้จากพบผู้ดใดเป็นพืชพันธัญญาหารนะฮมาเกิดเป็นศาสตร์พบก็ขึ้กิเลสผู้ว่ามาเกิดกอผู้ว่ม า, ามาเกิดเรีกว่าสั่ง อันพูดมาเกินกับเขามันบรีบันวางสิอุปมาเพ่อให้เขาใจง่ายพระพุทธศาสนาเชื่งมาสอนในห้องมีท่านมีชียนมีภาวน่าเพื่อให้มีคิ้วเดียวหวังผลทุกนวัตทศสงสารชีร่งเดียวเท่านั้นหรือหวังแนวอื่นเราบัดถือหอยท่านรักษาเชียนภาว น, าน่าศาสนาพูดอนีนมีเกตหน้าไปทั้งอื่นล้าบ่ถึกมีเกตนาเพราผลทุกเชียงเดียวเท่านั้นจคอยถ ค่อยจะเริญแก้เจ้าของศาสนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุทสมบัติพระพุทธเจ้าบริสุนธ์ในศาสนาขันเมื่อมันบวนมันไปเองพระนางสั่ไม่ต้องปรารถนาดอกว่าสัตพระ่าครื่องควงค้อขวมหวยเนี่ยคำบวชขวมมาตกยีนมยิ้นนะพระสั่น๋ยวไม่อยู่ข้อเก่าไม่อยู่ดอกข้สั่น ยังไม่ทันความมันก็ตกไปจากบนห้องจับอยู่เส่มอยู่ข้องก้าไม่อยู่หรอกคือห้องดหน้ามาสิเลียวมือนี้ท่านมันเแล้วสาหันนี่มันเปล้วมันก็ได้อยู่เน่ยท่านเดชละไ้หรือเชละงานสองงานมันก็ได้อยู่มือรุ่นมันจังแล้วสันใดคือการห้าวหวังสิผลทุกในสัตวนี่มันมันมั่นบุพเพผบุเพมันก็จะไปข้างแล้วสิเพื่นี่ผีสัตว์สีเองเมียตายอันนั้ มันจีพจนบอกบริยานแต่มันว่าปฏิาปัถนาจักคนทุกคนว่าปัตนาอืมใจถึงหมดใจถึงทั้งว่ถือพระพุทธศาสนาพุ่นใจถึงทั้งซัวพุ่นใจเถึงทั้งดีพุ่นว่าใจถึงคนเฮาเฮาไมีอิสระอยู่เฮากับพวกนึงใจถึงจะสามารถทําเหตุทำคนดีได้อยู่บ่ามันอันหนึ่งกัอันหนึ่งบ่น่อยกับร้ายว่ามันสามารถที่ใจถึงจะทั้งซัววางจะห้าเปลี่ยนธรรมะ แม่วันเขียวมงใจถึงทั้งทั้งตัวมันกว่าอาหารประเสริฐของมันมันกลว่าของติบแม่ผู้เป็นเผือมันกล่ว่าอาหารของมันของติบก็คันนะครับองเสั่งว่ามันก็ไปคนละแนวผู้ใจสูงทํามสูงจางบารมีมากแก่กาวเจาหัจักเหลี่ยมใชพระพุทธศาสนาผู้สบารมีพระานแก่กามาขอบองจักเหลี่ยมใส้พระพุทธศ า, าสน า, า, า, า, า, า, าแล้ว หาไปหามาหาพุทธศาสนาเพื่อจะได้ดวงใจของพระของมันเพื่อได้เห็นถ้ำสูงก่อเห็นว่าพระเจ้าใกล้เห็นพระถ้ำใกล้เห็นพระสงฆ์ใกล้เพื่อได้เห็นถ้ำพุทนันธิเราเนี่ยุูท้อผูท้อพระองค์เจ้าลูกภูมันเดินกลมมพาวานาพูท้อเด็หน่อยถามเดินให้ยังกระดอนลูกพอผู้ท้อเราหายไปสั่นพอเราเห็นพู้ท้อเฮาเดี๋ยวนี้เห็นล้วบอกลู หลวงพ่อเห็นแล้วเห็นด้วยสายเห็นด้วยใจนี่การรักนี้การรักนี้นนออกจากใจนี่กาหาบออื่นมันพวเห็นได้หลวงก็จะมหาใจนี่เจ้าก็เห็นว่าดันเพื่อเขาก็เกินแรงช็โททัพพ่อัพโก้ยู่ใหญ่เขามีคิดอยู่พระพุทธเจ้ายืนห้าวผสมยืนห้าวท่ามยืนเ้าวผสมยืนห้าวเขาไปยังสิบวันยังม่ิดรักษาพระพุทธศาสนาแล้วเขาไปถ้าท่าจะซัวกับไม่ถึง ต, น ต, นนตนจน มาัานสรรั่งกามีเนี่ยอ า, อาขัน้าท่านี้กับผโททัโมทรรั้งโกสดงกระามตีตัวนี่ในใจเาเวเนี่ยวในย่บุรอื่นเนีเียวนี้หองป้องมนเนี่ยดีย้ดัอโนะโถตนเป็นที่พึงของตนในใจเป็นที่พึ่ขงของไกข้องปลอ้องมันเน่ยผืนเฮ็ดแท้งกับะยอะไรเงเขาต้องกินเองเิ้นันก็ต้งนองนเองพระพุทธเจ้าเป็นที่่างเสียบอกแล้วสิพวกเอยเพื่อหาขวาถึงศาสนาเนี่ย่ ขอสินหา à, ได้ไหมสันอ e> ๋อยังได้ชินขอที่ลวงไห้ไห่นนั่นได้ยอานโตหันยอจะขาดทรัพย์จะสรักทรัพย์จะเพ่มเพิ่มฟิได้กามจะพฟูดพดเด้อลวงไห้ไหมันเยอะไปรื่อสุราเด้อไหมสันน่อายุน้าใจของมัโตเยอะนกายของมัวโตบ้นเพิ่มทหอบอาตติพีหาถ้าเพิ่มหอบอัตติพีหายันกวัดันเนาะเพิ่มเอาใจให่ก็ไอเพิ่เอาห้องเ้าหาเข้าหันนะเฮ้ยยได้พาเชียนหัวโอ้ไงไหมสันยอนเชี่ยนหัวโตเยด้เลยเนี่นว่าทำั เข้าใจล <laughs> แ, แล้วุกคนชอบเมื่อนะชอบเมื่อไหร่เนาไพันธุ์พันธุันเดียวจะไปลายคิวไปลายคิ้วแล้วมันกวงไม้คิวไวันเดียวเลยฮะบอบอหอดกระจองไอ้วันเดียวจองไอ้ันเดียวบอจะจองไรบอน หอดพ่กหอดกระจองไว้บ้านเดียวหันถ้าติดจองลายบอลบ้านหันกระจองบ้านเดียกระจองหรือปะไว้ลองให้เพิ่ทุกนวัดตาสงสารขันหายเพิ่นวัตางสารมันกัเปิดประตูพรนิพพานมันกันเพิ่นวัตาสงสาโดยยังนท่านเปิดประตูพนิพพานแไยังงนอยู่เห็นไผ่ในวัตาสงสารย่างเต็มทีเปิดประตูพรนิพพานกันจะ ขื้นทำไร่ห้าหมวนออกจากปากหลวพ่อเสดายอย่เอามากินอีกึอเอาเย็นโทษนะ ว, ว่าตาวสงครามเดีวหลวงพ่อเสดายจะยงงินดีขึ้นมาแบบเย็นๆใ่ป่ะัอาบายยมุกทุกประเภต้องดดดยุดิเด้ผู้ใดไปเรียนเขาแลวง่มีเงนดดินให้พระเด้บรราตายมาหว่มีกงไฟซื้อให้พระหลว่มีเงินซื้อกระไฟใ้พระเด้าาาดดเอาบายยมุกอัน เรียนเรีนเรีนพาเนบัตรเรีวนเบื่อเพราระบอกแล้กองแขนกองขาย่งบวแมงเนาเอาไปแลกเว้นเนี่ยไม่เต่รวยรวยทางลับเสียทางรับหลวงอเสียทางลับหลวรวยทางรับพุทโธพุทโธเล็กพุทโธพลาพุทโธบ่าัพุทโธเบื่อเอาพระพุทพระธรมพระสงฆ์ไปปลกเล็กแหงงบาปหลายแหงเสียหลาย คำว่าคือเพี่นี่ว่าังเที่นามันมาเอาไปหลายของเขาเลิกบ้านเิเมื่อกมันว่าเอาไปคือเขารักเขาโกนั่นแอละอปุ่นคือได้หัวควันด้วยทุกวนเนี่ยกระหังบุพเนตัดหวัวเฮ้ยบุพเพนจิเขาคุกมัเนเสือยังก็เสือบ้านเสืยเย็นเสือห่อ น, นี่ยก็ะวานเหอนผลของกรรมนั่งสอนน้องอยังเนี่อัน น, น, นี้คือสิใดสังไหนผู้จอมือก็ได้ย่ายอดบ้านผน เ็าถือคันได้มากเขถือมีได้มากข้าหนึ่นขั้นหนึ่งเลยมูเห็นมีเนอเลยเจ้าภัพก่อนไปนแค่แทะมูห่อมเป็นกระต่ายตื้นบมกตูมกต่ายตื้นบมกตูมโมแม่ เ, มเห็นกงจั๊ก่มแม่ดอกหัวเห็นจางหัวมันไปผูกขอเลขกว่าฟันนี่ว่าเป็นตาเพิ่งเสือ ร่างเธอหนันฝันได้แม่สร้า ง, ง ว, ว่าควายจำแรงตื่นมาเสาะขีแหงกับบุมีเหินว่าอันเดียวกันเลยหรองข้อ <c oughs> พะเสียสะเสียท้ายงค้มฝันเสียพันเสียหมื่นฟังควอมอื่นกัี้หายคือกันเหมื่งอพะก็คือไปผูกเอาละพระผู้รัคนก็เป็นพีบ้าไปบอกเลขบอกพายเขาเอาทันผ่าใส่ไหมผ่ากัน นะฉันด้านไอ้หัวโล้นนะฉันเบียงฉันผ่าเส้นผ่าปัญหเสียยอนมัน้องมาแยอนเสียย่อนอเราเสอเาเออืมอ่าจปบีบ่สยพยายมั่สอบพระพุทธเจ้าเนอ พระพุทธเจ้าเป็นหนเอพรแหงประสบการณ์เพราะแ่งแล้วทอพระพุทธเจ้าเลยเน่นะพระพุทธเจ้าได้เสพมากเลวได้เหตุมากเลยจะมาสวร์เขาพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าเปลี่ยนกันมงร้ไปมื่อนี้โมฆะลาชาได้บุต่เรียนการกกันเทาอะช่างนึงก็ไ่ได้ไปเป็นท้าวบาร์แล้เพราะบัร์บริิรอมงหอย่างี่ท่านเดสวพระพุทธเจ้ากเทิทามแล้ว หมูเห้าเรเห็นเ่าเห็นไผในวัดตาสงสารเรเห็นความผิดลกไม่ขีดไฟลูกเดียวมาบ้านมัดไม้มื่องวัดเปิดตักตูเดียวท่นลเปิดตักตูชะการพระนั่นท่านละขีดไฟวัดทรัพย์สินมวย่างว่าหัได้เปิดร้ายปกตูแล้วขึนชั่วเปิดร้ายปากตูคือหนาปองยังไงคือหนาทางยังเปิดซับปองร้าปองนึงไปตักหมือความมัสยิจังว่าท่านมัน ไปเห็ดทิมว่าจะเขยนมาหอดมองจัานอารวมมหายเขก็บ่อไม่หน้า็ข่าอไม่เอหหน้ามันทิพย์หายหอดอยังน่ากลัวอดายบจะหมกกันแล้วไมาเอกหายมาเอกอะไรนีะนี่มันจะแฝดนี่ตาจาเสียงขข้นว่า น, นี่<อ>ก็แกเก็บตาย เป็สงครามประจำสังขารชาติพะโลกเป็นสงครามที่มาเกยมาพลาดของชาติด้วยอํานาจที่จะสร้างกำไว้แต่ในพวกก่อนผู้ใดมีโลก่ากผนั้นเป็นผู้เบียดเบียนขับแต่ชาติก่อนก็ไม่ว่าแต่ชาติก่อนในชาตินี้เขาเบียดเบียนขับนือนกันเราไปยิงนกเขาด้วยก๊อเป่าเนี่ยยิงเขา้าเทนี่หลตุ๊บเขา้าเทนี่ เลาก็มาปวดเป็นโรคหัวใจออกจากที่นี่แหละอายุ15ปีไปยิงนกเขานกเขาทองปุ๊บเข้าอย่างนี้ตกก็แ ก, ก, ก๊กแก๊กลงมาแล้วก็ถอดถอดลูกอันถ้าะอ่าฝากรุงลูกลก็เป่าออมันก็ก็ก็ก็สองคาแล้วก็เลยตายมึงเถอะมึงเถอ ะ, ม, ถอะมันจะว่ายอย่างไรล่ะนี่น <c oughs> น นนีนออกานอันนี้เาขาคล้องค้องรงนี่คล้องรงนี่ไปเอ็ดดูไปออกทีกจอเขาขยับตงนี้นะตรงนี้ยัด้ดาวแล้วก็เป็นเวรเราเป็นเวรเป็นพานเบ็ดเราไปใสเ่สเบ็ดใส่เบ็ดปลาไหลมากินมันลงนี่ ต, นนต้องนส้แหวกเอาีงอันนี้อั น, นเียวอันเลยที้นี่เป็นเด็กอายุห้าปี ก็เอาเวฟไปวางไว้ที่ชานเรือนไก่ทัวองของเรามากินไก่ปักไว้ทมากินโมกเกาะอยู่ที่คอมันก็มันดาก็บอกว่าเออเขาเข้ามาไล่ไปนานหมดแล้วทีนี้ตายละปูทีนี้มาเฉือนเนี่ยเขาไม่ยากมาเฉือนเฉือนเจี่ยบมัข่าบอยน เขาเขาไมายัดใส่เวนอันนธะเราไมเห็นกับชาตดไม่เห็นอะไรเวนลูกเวนลูกอันธะเขาเห็นเหมือนกันนีลูกอันธะไปจับโคช่วยเขาตัวหนึ่งให้เขาตอนเจ้าโคช่วยเขาที่เขาตอนน่ะมันปวดลูกอันธะมันมันกระล้องอู้กอุ๊กอุ๊กแก็ถือเป็นของสนุกไอ้เคี้ยวอย่างนั้นอย่างนี่หัวละมันทีนี่เขาจะแปลงลูกแปลงสมให้มึงดอก ขายบอดีนั่นสิั้นาสั้ดาษนั่นมาให้มันเดี๋ยวนี้พออายุพูนะจะอายุยี่สิบแต่สองพันห้าร้อย2ิบสองมันก็มาแปลงหูแปลงสมให้ตัวแค่น้แล้วบาทนีสองพัน้าร2อยิบสองให้หลวงอัฏฐเนี่ยลงมานี่โอ้ยจะให้เก็บปัดได้บาทเนี่ยเวีนเว้นเวนกับสัตวได้พราพธสัตว์ก่อนสัตวนี่แหละเอาอยไปบสัตว์ก่อนยังสัตวนี่ เาอไปโรงพยาบาลเซมิเตเวสนเขามาโกโรไปอ่าไปโรงพยาบาลเซมิเตเวสจะไปตรวจโรคจะเอาหลวงปู่ไปเช็คโรค<ม>เออจะเอาไปด้วยวิธีไหนหลวงปู่ไม่นอนข้างเคือในโรงพยาบาลเออเออถ้าอย่างนั้นพวกเรา ก, กลับกลับไปในสองสามวั น, นมาเออพวลกไปเคลียร์เขาให้ได้ธรรมญาณหรอกหลวงปู่ ไปเนี่ยเราก็ต้อไปขึ้นเครื่องบินที่อุบลแล้วก็ปือไปเลยเดี๋ยวก็ปือเดี๋ยวก็กลับมาในรถในรถเมย์จะซื้อรถในตอนเย็นให้พระเพราะเครื่องวินมันหมดคิวแล้วตอนเย็ น, ม, นมันเนี่ยมันเสียเวลาหลวงปู่แับเดียวอย่ามาเก็ะยี่สิบนาทีเสร็จนะหลวงปู่นะเออก็จริงอยู่แต่ว่าหลวงปูม่ม่สมาธามิาาแล้วผมามาจัดแล้ว พึกไปเพึกมาเถียงมันอยู่ในที่นั้นที่ว่าไม่ผ่าไม่จัดมันเป็นยังไงลองปู่เออเราเป็นพาะฝ่าพรเขาพระดงพรดอนเวลาเก็บป่วยมาก็มาเก็บ้ังในโรงพยาบาลมันก็ทับถมต่วเองแล้วที่พวกโรกๆล้านหลานพวกโรกๆคนหมอเนี่ยจะผ่าจะตัด มีเกตนาดีแล้วมันก็เท่ากับว่าผ่านแล้วมันก็เท่ากับว่าหายแล้วมันก็จะกลับมาดีแล้วเพราะเกตนาดีแต่หลวงปู่สมาทานไว้แล้วจะพลิจารณาสมาทาน่แหละเสียชีพดีกว่าเสียสัมเสียชีวประวัติก็ เ, เสียชีพด like ีกว่าหลวงปู่ถืออย่างนี้ที่ไม่ผ่าไม่การผ่าผ่าจะตัดบางทีก็หายบางทีก็ตายพอจะทิพย์แล้วจนเองก็นานหาย เพราะมันไม่งอกง่ายเพราะคนแก่แล้วแล้วก็จะได้นอนข้างคืนในโรงพยาบาลหลายคืนแล้วก็หนักใจเหลือเ ก, กินแต่มาเท่านี้ก็หนักใจแลว้วที่หนักใจไม่ได้รังเกียจโรงพยาบาลก็นึกถึงเพศของตนแต่ครูบาอาการที่ท่านเข้ามาในกรุงเทพท่านทําประโยชน์ให้แก่เขาอันเราไปที่ไหนมันก็หนักใจนั้นต้องนึกปัตันโนตาด้วยประมาณตนัวนี่ข้อนี้สําคัญว่า ส่วนคู่บาอาจารย์ท่านไปที่ไหนทําทำประโยชน์ให้แกเขาอันนั้นยกไห้ใส่เก้าใส่ ข, สขมออกมาสำหรับเราเนี่ยมันเป็นเพศนหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งถ้าเราตายในโรงพยาบาลกระทรงก็จะได้ซื้อศพก็จะเอาขึ้นขางอีสา น, านก็ทำความระบอกให้ลูกให้รลานอีกนี่อันหนึ่งถ้าเราตายในภูในเขา แล้วก็ชูศบไปเที่ยวเรียนวัดแล้วก็เผากันเพราะไม่หาผ่าบ้านใครอันนี้เป็นที่สบายของหลวงปู่อ่ะอันนี้เป็นเหล็กของหลวงปู่ไม่ใช่เอาเป็นเหล็กของผู้อื่นไม่ในหวังว่าเพื่อจะทํากระทบกระเทือนถึงโลกไม่เป็นเรื่องของตนเองเป็นอย่างนี้เขามาฟอกเขาตามมายอย่างนี้หลวงปู่กันักการจะตายเปลียงใจเจ้าของด้วยเกลงี้ยงใจผู้อื่นด้วยผู้ที่เข้าหลอกไปเขาก็หมอบอย่างนั้นเขาเกลียงว่าจะลูกเขาเขาไปหมอบตามต้นเขาพวกเขาหลอกไป ข้าหน่งเอกลกผู้มั่นท่านก็เป็นโลกฤิธิ์ดวงทวันนัไม่เห็นท่านไปผ่าไปตัดที่ไหนนี่ข้าเนี้ก็น่าพิจารณาท่านก็ยอมตายคากันข้าหน่งเอกพระบรมศาษษษษษษษสดาฉันมุง่งมั่งของนายจุลทะกร ม, มานบุรแล้วก็สัดเสพระเนจรไปเมืองกุสินารา เตือนเช่ามาอง์ท่านก็อานางรังทั้งคู่เป็นโรงขยาบาลท่านก็เข้าสู่อนุปราจิเศสนิพานไปซะซอแสดงให้เห็นว่าพระบรมศาสดานั้นเกิดก็เกิดอยู่ปา่าลุมพิณีวันทัชโรก็ทัชโรอยู่ป่าที่ตำบลพุทธขยาแสงรรดงทำมาจากก็แสงรรดงทำมาจากอยู่ป่า ญญบรรยัพติฆาบดก็อยู่ฝ่ายนั้นว่าเขตตะวันมหาวิหารกุฎาคารฝ่ามหาวันก็เหมือนกันมีแต่ปะ่าทั้งนั้นในข้างพุทธการเมื่อ ม, มานึกถึงอย่างนี้แล้วก็นึกละอาไม่อยากตายอยากตัดเลยมีเหตุผลเฉพาะส่วนตัวไปอย่างนี้เสียชีพดีกว่าเสียสัตว์เสียชีวประวัติเสียชีพเสียดีกว่าเราตั้งสัตว์ไว้ถ้าเราตั้งสัตวรร์ว่าจะไปฆ่าคน เราก็ต้องไปฆ่าจริงๆสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเว้นซะเพราะมันผิดธรรมตั้งสัตว์อันนี้นึกว่ามันผิดธรรมี่ไวินัยจึงยืนยันอย่างนี้เออถ้าอย่างนั้นก็สู้ร้องปู่ไม่ได้ละที่ร้องปู่พูดไม่มีที่แซงเลยเอถ้าอย่างนันตามเก่าซะคือไปรวมกันหน่อยเอาไปเอ็กเซลให้เอาไปเอ็กเซลให้แล้วก็ส่วนยูยาก็จะเอาไปให้ ก็จะเอาให้ไปด้วยแล้วก็เลือดของหลวงปู่ก็ดีอยู่อะไรก็ดีอยู่เครื่องในก็ดีอยู่ทอนป่ยแต่ว่าใส่เลือนยังมาท่านเหตุโอ้แต่ว่าอันโรคหัวใจยังมาท่านเนี่ําำลึบนะ่ะเวลานั่ะโรคทุกอําดีกับบ้านนี่ทำไมอันนี้นเจ็บจุดสี่บ่ยันี้ว่าแปลกเทียบเลยยางนี้ม <c oughs> <c oughs> ันเขาเลียกอะไกัน ท่านเนี่ยมันวัวเป็นกัวนะค่ะเดี๋พวกคนขู่เบว่าพวกคนขี่ลายถ้าคนงูมันคนงูเลยคนไหนมาเอาไปที่ไหนทกําไไปท่านจะรักษาคำสั่เพียงไหนเราหลอกไปโรงพยาบาลสงสูงดูคนมันนอกบรรณาพอเห็นโรงพยาบาลสงสูงก็จะทิ้งคาสั่์ของตนแล้ส่านจะเก่งขนาดนี้เขาเอาไปทดสอบเราเหมือนกันถ้าเราพาตับเขาก็ยอมให้ฟ้าเหมือนกันแต่ละแต่เขาจะเพ่งทดเราเราไม่มีสัติ์ เพรคดีใหญอยู่เหมือนกันถ้าเราหายแต่ว่าเรื่องที่เขามีเน็บอยู่ข้างในเขามีอยู่มันไม่ใช่คนงงง้เนอะพอกรุงเทพเนอไม่ใช่คนงงง้อเนอะงงเห็นหลงปู่ไม <th> ่ยอมพาทันงแล้วก็แล้วไม่มีใครมาเอ่ยไดเลยตอนนี้เสร็จแล้วตอนี้เขามาเอ่ยสามเรื่องละแล้วก็คนหมออุดมมาค้าหนึ่งแลผมก็เป็น ชื่อคุณหมออุดมเคยเป็นหัวหน้าในโรงพยาบาลชินีราดแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีด้วยเยอะนี่จบเกษียณแล้วอยู่กับท่านในการมหาบัวอาหารกับผมเคยอดอยู่เหมือนกันอยู่นอกกับผมจะมาเอาหลวงพ่อประพาปรักดที่โรงพยาบาลหลวงปู่ฟ้แล้วก็จะมาตามรักษายอยู่ที่นี่มาเสียงกันอยู่นี่แหละเออพอบพระคนอยู่ทั้กรารว่าหาเลี้วให้ยเลี้ยเป็นจังหวนะน่อก็เลยอธิบาย้ฟังแล้วก็เลยเมือเสียงเราก็เลย ขึ้นไปนนท่านอาจารย์แบรนผู้หนึ่งคุณเอ็นพูนึ่งมาว่อเสียงคุณนึงเอกกันผู้หนึ่งเอกมาจะเอาหลวงพ่อไปผ่าที่โรงพยาบาลซีเรียล่ลูกที่จะตามไปกี่คนก็จะหาที่อยู่ให้ไม่ได้ให้ใน ล, ลาบากในการดื่มการฉันจะหามาให้เองไม่ต้องให้ไปบินทบาทนะะเจาลูกศิษย์ไปสักเพียงไรก็ตามจะไปเครื่องบินก็ให้ไป จะไปรถทัวรเขาจให้ไปจะไปรถส่วนตัวเขาจะให้ไ ป, ไ ป, ถถ ข, ไปขอให้รลวงปูถถเลือกออกเมื่อหายได้จริงจะตามมาส่งทีน่นี่เออเขาพักคนอยู่ถ้าเขามาพาแล้วหายแล้วรัวกดันอันมื้อนี่แหละควาก่าเนี่ก็เลยมัดรังเขาขนาดเมั่ น, นึ่งว่าจะมาพาเนี่ฮะเนี่ยจะเอาวันนี้พาเลยนะหมอที่นี้เออสมาท า, มามนมาผ่ามาตัดแล้วจะพาอยู่ที่ วัดก็ไม่ผ่าและไม่ยอมไปนอนค้างคืนในโรงพายาบาลด้วยและไม่ไปยอมค้างคืนในวัดอื่นๆเพื่อรักษาตัวด้วยมู่ตัวเสีไม่จอบเอาเลขน้ำเฮ้าในนันลนมันชีีิตหายตายอ่ะือวประบอกผอูกมือผูกคออยู่มัน เอาไปเรียนเลขบัตนือรอเมืองลราบอกมัวนตัวเลีนเลขเขาได้รู้อะบัตรห้ามูว mm? ต wow ัวตายเนี่ยว่าเมื่อกนซื้อก็ไฟอห่าเนอะเขาบอกเนอะอืมนั่นเองก็เมื่อกันซื้อก็ไฟอห่าแหละตายมา คำสอนใดๆ ใ, ในตจโลกภพมอท้ข อ, อ, นนท ข, อข้าสอนอนพระพุทธเจ้าห้องดอกมันเป็นเรื่องขืนคําสอนของพระพุทธเจ้าห้องวัดข้ามซ อ, อนของพระพุทธเจ้าห้องมันเป็นดิงคําสอนใดๆเสียมาปลี่นเกี่ยวคําสอนของพระพุทธเจ้ามันไปตรอดบอกถือว่าไม่บาปไม่บุญเนี่ยเขาไปรอดว่าสั่ของท่านกับพ่อรอกเอออับาัยามกทุกประเภทอาบัยยมกผู้หลวงอ า, าบายาัยยมุกมันพุ่มพมระสวัสดิ์เลย พุมพรสวัสดิ์อ่นว่าจะล่วงเอาไปยังมุกเด้่ยพระเชษฐาอยากล่วงท่นเห็นอันนั้นมันเป็นโทษคับหรือพระเชษฐาอยากอยากว่ามันเป็นทังเทริ่นเห็นดิงงล้ว่าว่ามันเป็นทั้งคลิปหายลงด้ตรงตรงๆหรือพระกษิตเชษดาอยากเรีนยังไงสินหา่าเนี่คือการเห็นว่ามันเป็นทางเป็นเวทเป็นไพ่ตรงๆแล้วมันก็ิเสอยารียงาเอยากนละเมิดเนี่ขาพเจาเชษายรีละเมิดนก็เขา้าใจว่ามันโสษมันมัเป็นโทษนักก่อนคัท่นเห็น่ามันเป็นโทษนักแล้ว ม่ไปข้างชิบหายตรงๆมัมีสานอวท่อนอวมันกับเสียดายอยากรวงระย้งหนึ่งเมื่อเอาท่อนมัไล่ออกเสียดายอากออกมากินมีจะก้นหมดขมันเห็นซัดป่านั่นอะจ้างมันกับว่าดปฏิบัตินานนนี้พวกพระสดาบันพวกฆราวาสปัญเทตคณมาวาสังมันพูกมันมันที่มันพูกครองเรือนว่าเสียดายอากรวงระเมิดเสินหายจาเมียได้จะมันพูบพระสดาันเนื่องเสียดายจักเลยเลือกเดินฝ่าอยู่บ่เมีนวนพูบพระสวดาบันพูบพระสดันสดเดา โ็ขาดคนนจุเดียวโุขาดคะแนนไม่ได้วางอุตุตตะกูลอันนั่งข้างจะตั้งนานไม่ได้เพราะสถานสีไม่แสดงแสงห้าพัสรุที่หายแล้วไม่บูรณาพัทรุที่ต้้งคราไม่ด้วยจับประมาณในการบริโกกสมบัติ ตั้งสตรีหรือบริบทุศีนี่เป็นแม่เรือนพ่อเลี้ยผู้หวังจะดำรงตระวงควรเว่นสถานศีประการนี้สียขอสีสัมคัญตั้งบริบทุศีนห้เป็นแม่เงินพ่องนเงิ น, นที่มีหันตังพันล้านมันก็ไปเสียบุญเอียมเแล้วช่างโง่ของมันเป็นคนทุศีน่ะพ่อแม่ตั้งเสี่ยวยั้งไว้ให้ห้าวฮักลูกฮักเต่าห้ากระปุ ก, ก, ก, กพืชจะคว้มดีไว้เป็นมรดกของหลงต่อห้าไปเรีนเลขเรยผ้าให้มันเห็นห้าวปันให้ปัหน้าให้มัน ดีพดีศพ้าเฮือนนี่มันก็เท่านเดยวเผาห้อมันเอาไปเรียนเลขบัตนยอรางง้มู่โตปันของบดีมาให้ลูกพร <ok <ok ้านอืมพวกพววกมว่าขางลูกข้างร้านมันฟาลูกร้านเรีนเลขเรนพาเรนบัตรเนเบอร์กินเหล้ามอยาขาดขัดขาง้อขาดควยอืมบุญพระเวทย์ได้นบุญพระเวทย์ขาดจะง้อจะควายกบุญผีเพนะบุญผีเพ็ดน เหมือนพีเผด็จคนต้มสองกีบซาวกีบตีหวัว ก, ก, กันแตกก <c oughs> ันตายนะสันเซิงไม่จักก็ฟอ่อนไล่ได้ตะหลาดเลยอือฟวอญบุญบางไฟก็แม่นะบางไฟมันห้อนคืนยอไฟตีกันหัวแต่หัวแตกพือ่อนเพ่นฟอ่อนอะแรบเรียนโพดพร้พอมแล้วผู้ของแก่พอห่วยฟ อ, อนก็ฟอนได้ซื้อได้แหมโยมไม่กสุดไปแล้วบินมันจังเลยบุหลายตัวคนห่อยเพิ่งจเต็มไปอีกูเพื่อนกมดก็เบาพื่อนในจันข์ของแก่ตะเกีย คำสอนไหนมันสิเนื้อคำสอนพระพุทธเจ้ามัไม่ดอกใครสิเศษนำไร้ไฟดับสักเครื่องได้ก็ตามดอกมันว่าทอคําสอนพระพุทธเจ้าดอกนำห้อยน้องความบืงบา ง, งต่างๆไร้ลงสู่มหาสมุทรเรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆขอไร้ลงสู่คําสอนของสมัยพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จึงอีกเกี่ยวกั้ทางลึกถึง เชื่อในทางเลือนขึ้นเพื่อให้คำหนึงได้หลายทางน้ำให้น้องคลองบึงบางต่า ง, างๆไร้ ล, ลงสู่ทะเลและมหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใ ด, ดในตรลัทธิก็เป็นไร้ ล, ลงสูคําสอนพระพุทธศาสน า, า, า, าโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกยิ่งพูดก็ยิ่งจริงเชื่อมในทางสูงจริงเสียงทิศจะมีขีดล่างๆก็เชื่อไปในทางทิศเหมือ น, นโดยจะมีกลางวันก็คือชั้นใดก็ดีคําสอนใดในใจลัทธิก็เป็นเงือนขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้น เขาวผสงสายข้าวสงสัยข้าสอนอื่นเีืมเรือนข้ามสอนพระพุทธเจ้าการสงสัยเราข้าสอนอื่นเฉมเรือนข้าสอนพระพุทธเจ้าการโลกงพระพุทธเจ้ามันกับวาสนิตรการโลงค้าสอนพระพุทธศาสนามันกับวาสนิตรมันก็เป็นไม่ร้อยหน้ามก็เป็นนุ่นปลิวไปตามลมอ้าวทานได้พระพุทธเจ้าก็สอนเหมวะบ่มีหัวเไม่าพระพุทธเจ้ากขสอนพอเขาลูกพระพุทธเจ้ากขาสอนเชิดกับอาจารย์พระพุทธเจ้ากขสอน เบาคำ น, น่ายุคนที่เจออาะข้อศรเบาคำ น, น่ายคำน่ายจากลูกทุกขึ้นทําการงานก่อนนายเลิกการงานทีหลังนายคือเอาแต่ของที่นายให้ทําการงานให้ดีขึ้นนําคนของนายไปเสนอเสือในที่นั้นๆัถือเอาแต่ของที่นายให้ใหหใออแหหม่รับจอบรักเสียมไปเลยทําการงานให้ดีขึ้นอย่าเห็นแต่พระอาทิตย์ถ้ามเม้าก็ยากง่าย ถ้าไดวัน ก, ก็ทำให้มันสมวันทำงานแข็งแข็งแขงเวลาไม่ใช่ว่าจะเอาเวลามาแข่งงานพัวจะจับ ส, สอนผัวเขาไม่อยกากพูดจจับสอนด้วยรับย่อนับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูมินด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วให้เพื่อนแต่ตัว ภริยาได้รับบำรุงชนนี้แล้วสงขบสามีสงขสบภรรยาได้รับบำรุงแคนี้แล้ว ย, ยอมอนุเคราะห์สามี้วยสัตน่จัดการงานดีค อ, อยกบล่างาคของกบเทันกบถึกสงขบค่อนข้างเสียงของปัวดีเห็นเนอทอั้งผัวมาาบูดหนาบึงกบถือก่อนไม่ก็พฤตนล่วงใจผัวนี่ถงพวกพววล่วงรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไวขยาในเกียรติข้านในกการทางปวง เพราวคมเนี่ยมีคนรหาคอปัพืชตอการทั้งทีแล้วกวทะเลาะวิ่งเหวน่ยงว่าจ้าวประตูใดนนะอะารวันจมูกคืนเหตุเครื่องชิมหายหกดื่มน้ำเมาเที่ยวกังคืนเที่ยวดูกันเล่ น, เ ล, นเล่นการพระราควบคนชั่วเป็นมิตรหยดขั้นทำงา น, น, านดื่มน้ำเมามีโทษตกเสียทรัพยก่อการทะเลาะว่าเกิดโรคต้อ ง, งเตรียมไม่รู้จักายทอนกำลังบรรดาเล่นเที่ยวกลางคืน มีโทษหกชื่อว่าไม่รักษาตัวเชื่อว่าไ่รักษาลูกเมียเชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายมักถูกใส่ความด้ความระหมากมากเที่ยวดูกันเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดูนําที่ไหนไปที่นั่นขัดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นสะเพาที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่ด้านกขคนชั่วมีเม็ดมียโทษตามบุคคลที่กอบนําให้เป็นนักเลงหญิงนําท่านเป็นนักเลงสุรานําให้เป็นนักเลงแรนการพนันนาให้คนเป็นคนวงเขาเดืยวของปลอม นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้านําให้เป็นเพราอืม่ดืมน้าเอามีโทษเสียทรัพย์ต่อการทะเลาว่าดเกิดโรคต้องติเตรียมม่รู้จักอายทันตุลังัญญาเรื่องการพนันก็มีโทษเมื่อชนะย่อมก่อเวนเมื่อแพ้ย่อมเสียใดยทรัพย์ที่เสียไปทรัพย์ยอมเสียหายแบนยังนําต้องอเอื้องเนี่ยไม่มีใครเชื่อซื้อคอยทําเป็นที่ปีมีนประมาทของเพื่อนและคนทั่วไปไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยแต่พวกชีเรศเขาต้องแต้งกันได้หอ่อ นักปาจ้างเขาก็าแต้งแหละพ่อแม่มันผ้า เ, เรียนทรัพย์เรียนเลขเลีนพ้าเรียนบ้านเรียนเบอร์มันมาทำไรทรัพย์สินเงินทําเงิเจ้าจะไปเอาหลวนเหรอข่งสันเอาหลด น, นั่นให้สืบสวนดีกว่าให้เจ้าวุทิชาติวินทัตเดชนางคนมันยอ่อผ้าทรัพย์ได้เอบ <c oughs> ะบ่มันเสียหามันว่าหามันเรียนเลขเด้มันในทางที่สอบเลยสมาชิกิวเรื่องชีวิตชอบคือเว้นจากเรื่องชีวิตโดยทางที่ผิดแน่ สัมมากมันโตการงานชอบเว้นจากกายยังทุดเสรสามเว้นจากข้าสัตร์รักทรัพยประพฤติผิดในกามเรียกว่าสมากมันโตทารทำงานการงานชอบบอกวัดพระพุทธเจ้าเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเ ท, ทเววุฒิเทวดาพระเย็น พ, พระโคบในกาลพระนิพงผ่านนกาลพระโสดาวันโคตรวัดหนักคำสอในใดๆมันสิเสมอคำสอนพระพุทธเจ้าเขาไม่มีหอก ท่าตาเกิดเกิดแล้ตายตาย้เกิดเกิดแล้วายมากก็ไม่ใช่ไม่ใช่ในสมมานสมมตรอยโกดมหาสมมติผลาก็บว่าสินี้จากคาสอนของพุทธเจ้านีอย่างนีมันทเปียนเรื่ยคนหนากรอไรห้องเบิ้งคักเราที่กนาคักก็แห้งทำให้โรกะบาลคุ้มครองโร้องอยางปกครองโรกเลยคําสอนองพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นการบานการเมืองว่าทำให้โรคกระบาลคุ้มครองโรกฟองอยา ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มความลงได้เฮ้นี่โอตปะนี่ี่โอตปะทั้งปัญานาถ้าโลกทั้งหลายไม่มีความละอายต่อบาปไม่มี ค, ความกลัวต่อบาปกัดไม้กดมักดหมูกัดทักกัดทั ว, ก, ทวกัดตั้งไม่อยู่อู๋ของทำไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําอำในที่ครับนั่นนั่นกฎอนไม้ี่ตั้งขึ้นจากล้านก็ตั้งถ้าแม่แต่ไม่มีอย่างอายต่อบาปมันก็นทํเาเก่าทำเร็วสร้างว่าสมผูหือ นะคอว่าผมเนี่ยผมกับบเคเือขอมฝันนะแต่ผมเล่กฝันมาคือว่าจ้กรนะครับผมกับนี่ขอีเพระี่ส่วนนี่่มีอมอ้อ จ, จยอยับใจงนาะต่ตอมากอ่ะเพราะกา ร, รนันอ่ะข้มพันมาต้มผมไม่ลมจมลงอืมฝนนี้ผมเลยไหมันีมยผม ก็อก น, นีแล้วคนเลยผมเลยฝั น, นว่าผมกาลังขอขอโชคจากคู่ป็นี้อยู่ในหันมัะได้วามฝันคนได้บอกว่าถ้าหากว่าอยากจะมีคนไปหาคูู่่าคู่ได้คู่ใดว่าว่าคู่ไหนนำา ย, ย่อย มาที่บอก้างให้เจ้ามีโฉมบบอย่ของเงินโบเคยได้ยิ้มชักเชือครับผมเลยถ า, ากมามบ ร, รบะมานี่ปรจํายอดวัดหลวงพ่อีนี่เนีอยพระนอยแล้วกับมีคู่จับบกก็ผมเงิเคยได้ยิ้มักเชือผมเลย มายาโจยมากคารวะมากาบผมผมเล่ยนยมากกาเปียนหลวงปูง่โมเมนขอบัดขอเบอร์อะจกัจกกีจักดีสีดีเหลืองมันจีข้อยูข้อ ข, อ ข, อ ข, อขอีสมหมายสมหมายป่านนี้สมทับรายยูระเอ็ดเนี่ยลกที่เขาสมหมายหันหนามาหลวงปู่เลยหาหเปื่อยหลวงปู่เคก เม่ให้เรียนเลขน้าปรเฮ็ดได้ลูกกยไบ่ได้ไอ้สันคันลูกว่าเรียนเลขถึงสี่ปีหาปีเด็ันไม่มีเงินใช้แต่มาขีสปากพอเะอด้ะไอสันพที่อ้าอยู่นี่ะขันเดียวตายก้อนือไอ้สันขีให้ทั้งเมียมึงเหรวไอ้สันีที่ทั้งผัวมึงกับลูกมึงไอ้สันอาปากไว้ทาไอ้สันโอ้เชนห้อยันว่าถึงปลานันก็เศร้าแล้วลูกปูไอ้สันหมอก็เล็บบรจักเถื่อม้มันหมอมาได้ขันําเขานี่หมอเศร้ามมันเป็นสันเพ่อพอรอกเขามา รถปูกระเคกรดได้กี่ไปเขียนะเพื่อนจามสุวันเนี่ย่อจักทนายนี่ว่าสันพูนี่ทงล้านคนว่าสันสุวันพูดเนี่ยฟุกเขียวนี่เล้วพน้อง น, นํา น, น้อยเนี่ยเสียนะรถปูสีมัคือกันจะไปรักผูกเอาเพื่น อ, อนเพื่อวมขีดังยังอก้ <S 2> <S 2> น่าของเพ่น อ, อนเพ่อพวกผมขี่ดังยังหอกโตไปผูกอ๋อชิบหายไบาเดี๋ยวนี้นห่วยลองสีก็ได้อีกรอบนึงหรอปูว่าสันโอ้ยจะเป็แเมนไรก็ไอ้คักก้อยบาดเนี่ ไปเ อ, เ อ, เ อ, อกหพวกเรายดัดฟังเขาบ่าเสีอสันเ<ม>ขาบ่าเสียบ่เสอ้สูเสี ย, ย, ย, ยอยู่หันนาะสันเ น, น, นาะกเขาวะสันมันกิมันกตัวผลเนาะแนวสเหลือข้า พ, พุทธมาแต่ปู่ย่าตายายแตมถาบนเพิ ง, ง, งพ่นหลลวงปู่บนเพิงพราพุทธพระธรรมประสงค์ครับก็บต้องเนื้อบนเพิงเล็กต้ลนครับอ้เงเหครับเลก้าที่ก็เลนยั่ครับ แต่ว่ากระโปลายสิบาทมีสิ บ, บาทกะโปรกระโปเป็นอย่บบางฮ า, า, า, ามันได้แต่แว่ามันเสียลงทุนขึ้นยังเป็นขงเป็นเง่นเหรอคำามสงสัยว่าฮามันได้อยู่ก็เรียกว่ามันกรบโปถึงคับหรือมีรอยแม่กลยของหลับรอ ง, งอยู่มั้นสงสัยว่าฮามันหาสิได้อยู่ยังสิก็เรียกว่ามั น, มนเห็นดิงค่ะมันเห็นดิงลงไปทางชหมายเนี๋ยมันเสียดายอยากเรีนเห็นอย่างเหรอครับพอาั้นก็ไปสีละเกเี็ยได้ มันก็เนีตายแล้วไอนพวกผู้คนเว้นจกพาน้าที่บาดเจ็หน้ากามสุราอืมสาสุรามุ่นเพิ่นเห็นแ้วมันม่มีประโยชน์จักเม็ดด้วยเนยเพิ่นก็เลยก่เสียดายนรักษาศีลเพิ่นหไดยากเามันสิฝ้าวิ่งขจังอันคอนคุมนักโทษห้าเศ้าเรียนบือห้าก็ะซิ่งเฝ่า้คุคคุมคุมนักโทษี่มันโเมนานโทษมันคักลหาก็เศ้า่คือไฟเล้าไปจับมันมันไหม้เลยหาว่า ไอ้กูยา่าดกูระวังกูยา่าดกูไปไปจับฝอยอีกเข้ากั บ, บวัด้ว่้องบ้านเสียหอกจับหสีย่านีอย่างนะางวาเนีอันนี้คือการโอ้ยกูทดได้ออกแล้ ว, ลวระวังกูเี่เราสูงข้าเสียกูไปเอากินน้าลายขึ้นอีกาักนั ส, นสวสันบอกห้อนักไก่บ้านสังห้องไก่หองละบ่าได้โอยกอมาเสละบ้ได้มันกับเพราะมันบดดิ้งมันมันปัญญาบุญี่เด้่ี่เรียดเสละได้ตอนแดกก็ต้องปัญญาเนีย มันฉิละโคตดตอนี er ism, kind of ้กโดนปัญญาบมันสมาธิหัวต่อเลยสมาธิหัวต่อได้นึงเข้าไปหาเรืเลยเข้าไปหาเ้อเรอกสีออกตัอได้สันนี้สมาธิหัวต่อไ้นึมันสมาี่เกี่ยวกับปัญญาบริเบนท่นเลยเออวเขาบ้กเรื่องนี้มาเฮาจะเต้นฮอดพวกมุนกลุคนถ้ามันขาดไปแล้วมือเฮาบว่มีพิดมือนงมือเฮาน่เฮาอมือเฮามีพิเียวเจา มือเข้ามือมีแผเสิเอาพิดมาใส่มันมันภูเขาได้ไงมือเข้านั่นนั่นนั่นนั่นไปปลูกก็เรียกได้แต่เจ้าซิบปฏิวัดิหันนั่นซิบ้ตาเรกหันเจ้าชื่าบอกแล้วของแม่งวันขันไลอะเจยวมาัตอป่าขันไรป่าก็พุ่นผมันเกี่ยวว่าเขานี้มไม่เกี่ยวเจ้าีไม่มแม่เาวนี่ไรแมงวันไรท่านึงไปตอบทั้ง แม่ว่านมันก็ใจถึงทั้งกินกินเกสอนดอกไม้กันแมู่้ยังเถึงถงว่าใจถึงทังเออแม่ว่านกินเวลาคำโลกใจเราเห็นกูนั่นถือกักถือแมาเขาเออแล้วปให้คะานนเขาโลดมาเนีไปถามเขาบ้างนะแมหนะฮะเนี่ยเออก็ถือถึงนะห้องเลีอยเชือป่อหลายานนี่เยเขาว่าใช่หละเนี่ยูดใด้พูดใด้ไมีผูดได้จก้นเ้ยฮะเนี่ยก็เอเกาถือว่าทั้งอันก้วดี่ถือเชลามั่นบาทเชามือเนี่ เชือไปเมื่อนับเสือหอบของฉันอ่ะคืออีตาหัวออ่ะอีตาหัวคอเนี่ยเป็นนายผ่านยู่บ้านขั้วกางเนี่ยปีนั้นได้ฟานตัวหนึ่งได้ฟ่านตัวหนึ่งไปนั่งกับทานกงไม่ไปจอบอันชุ่มมันมาได้บ่บ่อันซุ่มจิตตกกไมตายนะบอกแต็มมันได้เหอวนเนาะมันมันจิตตกกงไม่ตายมัดบ่บ่บัดปีบัดเดือนบัดสาปีสี่ปีได้ฟ่านตัวนึงเอามาบ่บ่ยูดซ้ำนั่นะ น, นี่ขีกม็มวยตัวขี่ก็ามายฉันมึงไปแล้วมึงได้ตัวหดินมาเดนตัวไหนตัวดีตัวเดนในไทย่นก็เด่นทั้งคี่ม้าอ่ะตัวเด่กับตัวเด่นหมดเด่นทั้งคี่มหาอืมถีบฟื้นใช้ไฟเพื่อแหลกเอาโดดก้อนขึ้นอีพ่ออีแม่กูเอ๋ยเดี๋จังเล็บเปนจังขีได้มันก็นมีแต่ขี่เท่ามันฮันแล้วสวนม่นไม่หวาน เขาไปเพ่งโทษว่าพระพุทธเจ้าโง่ก็เข้าอะไรเขาไปเลีนเลขพระพุทธเจ้าห้ามแล้วมันบ้าฟังมันแปลว่าเถียงพระพุทธเจ้ามันยังไม่ขึ้นนี่เขาไปเรีนเลขไงพระพุทธเจ้าบอกว่าชิบหายนาเดียวมัมีสารมาซ่อนพู้ได้ไปเห็นกต่ชิบหายสัานีที้เข้าก็เห็นในสัานีที่ก็เข้าสิรุ่งมีแต่พระพุทธเจ้าเอาซื่อไม่พูดชิบหายเขาม่เเห็นคนจิบหายเต็มโลกเลยนี่เสมอเนี้ยพูดได้ปากออก ว่าแต่นี่ธนาขั้นนี้มันไม่จากสีนี่มันก็มาจักเลขขนาะจักรบาลยมุกขนาดมันไม่จักสีขายให้ขายหน้าให้ีปุลยูสูนก็ไม่จากกบาลยมุกขน้วตัวรัฐบาลก็บหงม่อาเสมอนี่รัฐบาลก็รัฐบาลสีเลขรัฐบาลผีบ้าอ้าว่างสีดอกบอกเพียงเพียงเฉยเห้วมาขาก็สร้างหัวมันย่างไรก็บสอนับก็ตายท้นแล้วสอนี่้วสองนับก็สี่แท่ ก็เลย อ, อ, อ่ะ่าจิตปฏิเสธกวาอให้ถึงจิถึงธรรมันเพิ่นออกทางนอกมนมันกับมดนทางเหรเออมดสวนทางเลยเหรมาเหาเป็นฝันคอดเห่าจะไปเข้าไปหาพุ่นหานทัวันตี้วหาผู้ออกกฎหามหายหือนห้ามว่าให้เรื่นเลรี่ยฟ้าเอาใมุกมีสะไรตัดถิมมัดลงบาลงบาห ม, า ม, ม่างถิมมัดเครื่องม้นเครื่องยังถิ่ฟาดลงทะเลผุน รัฐั่เหมนตงฝนกันนะรัฐไทตนันดงรัฐบาลินเมื่อใช่ช่ว่เป็นที่เป็นเงกันนะครบรัฐบาลนั่ง้าอยู่ก็ตั้งตั้งขึ้นย่ก่อนตลาดงก่อนตลาดอยู่เล่วนยิ้กันเพาะกรบุไปกินที่กองตลาดแล้วไเทด้กินที่แตกขยังเขาเรื่องเขาเรียวตาเขาเรียวถามั่มีประโยชน์เท่าไรเลี้ยวขยังเขามัีบ่าเขาพากินซี้าที่กินบ่ รอนพื่อนมาได้เอาตัวะตัวทังหมดเลยพ่ว่าพเป็นบ้าเขาจะเป็นเขาก็่เป็นแรอกแม่้าเป็นบ้าเขาก็จะเป็นบอกว่าเป็นแต่ยังว่าพ่อแม่เป็นบ้าเขาก็่เป็ี่นแล้วทั้งห่นไปหมดเลยบ่เปี่ยนไปหมดเลยสมัยสมืยไนเป็นระเทศเอาโลกประเทศเอาของสมัยสมัย เออกันอนี้มาอันนี้เป็นเงินเทียนก็มาบ้านเขาก็เขียนเดียวบ่ได้เที่ยวไปอยานเด้เที่ยวท้องเทียนได้ไม่เอาสิ เล้ยห่อเกิดจอมพันธที่ไรฮะที่พีผู้ทุมเทธรรมะให้ได้เสีตายมาด้านหนาไปผูกอเล็กโอ้ยกูกระเบาเื้อนี้เอ้ยโลเอยผู้ท่มเททุ่เทให้ถึงสิ้นจนท่อมทุ่มเทจนสิยตายอันี้ผู้นดินไฟมากไปผูกอเล็กมันจะไกลเสนาสองเจิงนักมือเจิงนาพาไกลกระโดดเข้ามือกูมาเห็นเพื่นว่านโล้านเพื่นอ มิตรดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ขีดกันพอดีแม่ดีผู้ดีอาจารย์ดีตอนไหนทำถูกก็ชงท่งเสริมตอนไหนทำผิดก็ขีดกันจะทำชั่วก็ค่อยตามจะทำดีก็ค่อยตามต่อหน้าว่าการเสริมับหลังตั้งเินทาไม่ใช่พ่อแม่อันดีไม่ใช่มิตรอันดีนั่งอย่าว่างได้สั่งข้าวของนรอพุทธเจ้าเป็นท่องท่าเลยอืทุกยุคทุกสมัย เท่าโลกมึงฟ้ากฎหมายอะไนั้นมีเกี่ยวว่พุทธเจ้ามันไปเมื่ไรล่ะอ๋อมึนแทบเพ่นไดอย่างเท่าเพื่อนว่าจมาเอาทุกกุลาเนี่เฮ็ดเฮโลกเฮเล่เฮ็ดการพระนั้นเนี่ยทุกกุลาห้องหายมันมันกุลาตีห้องหาเดี๋ววันนมันไถกตีห้องหาล่วกติห้องหายเก๊กกสีห้องหาเขาวะแต่เมื่อที่เพิ่มก็เก้าเนี่ยมาเอาบ้างทำไมเจามาเฮ็ดบ้างทำไมเออนั่นแล้ว เขากระที่หอบก็หนี้จากประเทศเท่าที่อาหันที่นี้นี่คือกวดเขาตะป้องใกล้ขินแดงอย่างขินแรกเสียบัดใคือมันจะขี่ขู่ขี่ขู่บดขึ้นเหนย่างว่าท่านกันรังหม้อเดี๋ยเมื่อวาตั้งแต่บ่ายนึงเขาจะให้ให้เจ้ายัดทิบย์ได้รอ